พระธรรมเทศนาแผนที่69าลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่5กุมภาพันธ์ 2,558 มีชื่อเรื่องว่าเพ่งโทษเขาแต่ลืมดูตัวเราเองวันนี้เป็นวันที่ห้า กุมภ า, าพันธุกราชพันห้ารห้าสิบแดเมื่อวานหลวงพ่อไปกราบคารวะหลวงปู่ลีกุสระทโรวัดภูผาแดงนานแล้วพวกเราหลวงพ่อไม่ได้ไปตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษา จากนั้นมาก็หลวงพ่อก็ไม่ได้ไปมีแต่ภาระทุระมีแต่ฟังข่าวข่าวแต่สุขภาพของท่านก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ก็เลยไม่ได้เข้าไปกราบคาระวะแต่เมื่อวานเห็นว่ามีโอกาสมีเวลาก็ได้เข้าไปกราบคาระวะท่านแล้วก็ได้นําจตุปัจจัยที่พวกเราได้รับต่างกล้ำต่างวาระแล้วก็มีทองคําด้วยนะ แล้วก็เราก็ได้เข้านําเข้าไปถวายท่านเมื่อวานไปถึงท่านก็ประมาณสักบ่ายสาม ก, กว่าประมาณบ่ายสามเมื่อวานไปด้วยการพระด้วยกันสมองค์แล้วก็ได้ถวายปัจจัยท่านเป็นครั้งที่หแล้วนะศรัทธาญาติโยมเป็นเงินสมล้านละที่เราถวายองค์หลวงปู่ลีถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดนะ ไม่น่าจะผิดนะถวายครั้งละห้0แ0 0 0 0 0แสเพื่อร่วมสร้างเกดีกับหลวงปู่ลีรวมแล้วเป็นสามล้านแล้วก็ทองคำเมื่อวานนี้ได้หกบาทามีถวายทองคำด้วยเพื่อได้ท่านจะได้ใส่ ย, ยอดพระเจดีย์ของท่านท่านจะได้รวบรวมทองคำ ใส่ ย, ยอดพระเจดีพวกเราก็ได้ร่วมทรงรบข้าวก่อนอคีดว่าครั้งก่อนก่อนหลวงพ่อเคยถวายเหมือนกันนะทองคำมากมากอยู่แต่หลวงพ่อจําไม่ได้นะไม่ค่อยจําพอสมองหลวงพ่อมันจําอะไรมากมายมาแล้วเหมือนกับเออเลอแหละทุกวันเนี่ยพอจําแล้วก็ลืมแต่คีควานได้ทําได้ถวายหลวงปูป่อยู่ปุรีอยู่วานเนี่ย กลับมาถึงวัดเกือบสองทุ่มเหมือนกันนะทุ่มกว่ามาถึงวัดของเราใช้เวลานา น, านพอถึงควรเดินทางและก็พร้อมกันหลวงพ่อก็ได้ให้คนสืบสอบเรื่องเครื่องมือแพทย์ที่เราเคยเอาให้ศรีนครินทร์แลก็โรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นแต่ีก็กะก ะ, กะไว้ก็คือจะให้โรงพยาบาลศูนย์อุดร แต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทราบยังไม่ทราบข่าวว่าทางโรงพยาบาลศูนย์อุดอรเนี่ยต้องการไหมอย่างไงเพราะยังไม่เห็นเข้ามาติดต่อแต่หลวงพ่อก็ยังไม่ได้ถามไปแต่ก็ได้สืบสอบราคาดูแล้วราคาก็ยังยังคงที่อยู่เครื่องมือตัวนี้ยังคงที่อยู่คือล้านเแต่จบจบ จ, จะตัวปัจจัยวันนั้นก็ได้ล้านล้าน6กกว่า หน็ดหน่อยแต่ก็คงจะหาเพิ่มอีกเพื่อให้ถึงล้านเจ็ดพอเราซื้อมาสองเครื่องแล้วแต่เรื่องเครื่องนี้เอาอาจจะลดลงก็ได้อย่างที่บ้านะ <c oughs> มันขึ้นมันลงอันนี้พ่อค้านะแต่หลวงพ่อก็ได้ถามถามดูแล้วเครื่องผ่าตัดฮด้วยความถี่สูงเลือดไม่ออกก็น่าสนใจพอผ่าคนทุกวันเนี่ผ่าแล้วก็เลือดออก พอเลือดออกก็เสียเลือดแล้วก็หาเลือดยากหลวงพ่อคิดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องลูกหลานต่อพี่น้องประชาชนต่อคณะแพทย์คณะแพทย์ก็จะได้หาย ห, ห่วงใ น, ในมีเครื่องมือดีมีเครื่องมือที่ใช้กับประชาชนหลวงพ่อคิดเพียงแค่นั้นแหล ะ, ะนั่นก็คือการ ทำ บ, บุญสงเคราะห์อนุเคราะห์แต่บางท่านบางคนบางกลุ่มก็อยากอยารู้เหมือนกันว่าเอาจะตุปัจจัยของพระเนี่ยได้มาอย่างไงเฮะอันนี้ก็หนาหูขึ้นเรื่อยๆอแต่ตามไม่จริงก็ได้มาจากผู้มีศรัทธานั่นแหละถ้าหาว่าคนที่ไม่มีศรัทธานะจะถวายได้อย่างไงมันหายให้ไม่ได้แล้วถ้าคนไม่มีศรัทธาไม่ว่าท่านว่าเรานะถ้าคนมีศรัทธา ท่านมีอยู่มีกินมีใช้ดอกไม่รู้จะเก็บไปเพื่ออะไรโดยเฉพาะอย่างที่งท่านผู้สูงอายุแล้วให้ลูกให้หลานแล้วก็แล้วให้วัดวาศาสนาที่วจะเกิดประโยชน์ท่านก็มอบมามาให้รวมกลุ่มกันมาให้เราก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นบางคนมากกว่านั้นนะอยากจะตรวจสอบ พระเจ้าอาวาสได้เงินมายังไงปัจจัยได้มายังไงแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่านะถ้าจะตรวจสอบมันก็ต้องตรวจสอบหลายหลายคนเหมือนกันนะจะตรวจสอบในระดับไหนระดับีไหนใครระดับีไหนเป็นหัวหน้านะมันน่าจะตรวจสอบระดับหัวหน้าทุกหัวหน้านะ เป็นห้าเป็นผอโรงเรียนเป็นหัวหน้าวัดเอเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันอหรือว่าเป็นระดับไหนก็น่าจะตรวจสอบว่าสมัยก่อนเข้ามาทํางานเนี่ยมีเงินเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มีเงินเท่าไหร่เมันน่าจะตรวจสอบนะมีแต่จะตรวจสอบคนอื่นเอ ไม่แต่ตรวจสอบผู้อื่นแต่ตัวเองไม่ให้ใครมาตรวจสอบมันไม่น่าจะถูกอย่างหลวงตามหาบัวหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อยังซึ้งใจนะเขาจะตรวจสอบหลวงตามหาบัวจะตรวจสอบท่านว่าท่านจะตุจะตุปใจท่านได้มาอย่างไรหลวงตาทก็ท้าเลยละ่ะมาได้มาตรวจสอบได้เงินทุกบาททุกสตางค์บริสุทธิ์ก็แล้วกัน อแต่ว่าก่อนที่จะมาตรวจสอบนั่นนะ่ะเมือม่อในเมื่อมา ต, ออตรวจสอบเราแล้วนะ่ะเราก็จะต้องให้ตรวจสอบผู้ที่มาตรวจสอบอีกนะใครเป็นผู้ข้องใจข้องใจจะมาตรวจสอบเราเราก็จะเหมือนเราก็สงสัยเหมือนกันอสงสัยทุกคนที่ให้มาตรวจสอบให้ตรวจสอบกลับคืนอีกจะให้แต่เราเป็นเป้านิ่ง เออมาต่อยตีเราอย่างเดียวมันไม่เป็นธรรมเพราะนั้นคนที่เข้ามาตีต่อยต่อยตีเราเนี่ยมาชกกับเราเนี่ยมันก็ต้องตรวจคนนั้นอีกทีหนึ่งเออมันจึงจะถูกจะมาให้ตีแต่เราอย่างเดียวไม่ได้มันไม่เป็นธรรมเราก็ต้องย้อนไปหาคนที่เป็นคู่กับเราอีกคู่ชกกับเราอีก มันต้องจึงจะถูกมันตรวจรวจเมื่อตรวจเราก็ต้องตรวจคนที่สงสัยอีกเราก็จะต้องเอาเราก็จะฟ้องเอาข้าพเจ้าสงสัยโคตท่านที่จะมาตรวจข้าพเจ้าเนี่ยสงสัยเหมือนกันเมื่อท่านสงสัยเราเราก็สงสัยคุณเหมือนกันออก็ต้องตรวจสอบให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายมันจึงจะทุกหลวงตาว่านะตรงพ่อเออเห็นด้วยว่ะ ไม่ใช่ว่าเราจะไปตรวจสอบต่คนอื่นตัวเองเอี่ยความชั่วของตัวเองปกปิดเอาไว้มีแต่จะไปตรวจสอบคนอื่นมันไม่น่าจะถูกนะอยู่ระดับขั้นไหนพออหรือระดับผู้เป็นหัวหน้าแต่สมัยก่อนก่อนที่มาทำข้าราชการเราืมาทำงานจุดนี้นะ ได้เงินมากน้อยแค่ไหนเงินที่ได้มานะ่ะทุกบาททุกสตางคนะ์เนี่ยได้มาอย่างไรถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมไปคดโกงเข้ามาไหมไปเบียดบังเข้ามาไหมสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องสอบอีกเหมือนกันมันทุกระดับไม่ว่าผู้สือข่าวหนังสือพิมพ์อะไรก็ตามเนะ่หลวงพ่อว่านะเมื่อจะให้ข่าวเข้ามาปิดข่าวนะเอาเงินมาปิดข่าวเราเนะี่ย เป็นยังไงมีไหมบริสุทธิ์ไหมหต้องถามไปทุกมอคณะรัฐมนตรีคณะอะไรต่อมี่อไรได้มาอย่างไงนี่แหละถ้าจะตรวจสอบหลวงพ่อว่ามันน่าจะตรวจสอบเมือทุกระดับมันยังจะเป็นธรรมนะตั้งกฎขึ้นมาเลยตั้งกฎขึ้นมาเป็นกติกาขึ้นมาเลยอย่างศาสนา คริสเพเยซูที่หลวงพ่อเคยได้อ่านศาสนาเปรียบเทียบนะคาว่าพระพเยซูสมัยนั้นคนผู้ใดก็ตามทาผิดประเวณีนะอย่างผู้หญิงเนี่ยทาผิด อ, อกหลอกนอกหลูนอกทางคบสามีคนอื่นเขาเนี่ยเขาจับได้ เขาจะบอกคนนี่หญิงคนนี่เร็วในชุมชนสังคมอาจากนั้นเขาก็พอจับได้แล้วก็มามัดที่ต้นเสาต้นไม้อาจากนั้นก็เอาให้ชาวบ้านทั้งหลายทั้งปวงเนี่อมอวันผู้หญิงคนเนี้แหละประจานแล้วก็ขว้างก้อนหินก้อนดินข้อนท่อนไม้วเวียงเข้าไปใส่จนตาย อ, าอันนี้ก็คื อ, อาการทํามันผิด เออมันผิดผิดผิดศรษธรรมจริยธรรมอในชุมชนของเขาแต่นี้ไอ้เห็นพระเยซูเนี่ยอท่านพระเยซูบอกเอ๊ะไม่น่าจะเป็นธรรมเอ่อไม่น่าจะเป็นธรรมแล้วจากนั้นพระเยซูก็บอกว่านะประกาศเลยเออเอาเออที่ผู้ใดทาความผิดมันก็ผิดนั่ะเออมันผิด แต่ว่าพวกเราท่านทั้งหลา ย, ยที่จะมาขวางก้อนดินท่อนไม้ใส่คนคนเนี้ยที่มันผิดเนี่ยน่ะให้ตรวจตราดูตนเองสิว่าข้าพเจ้าไม่เคยทําผิดมาก่อนในที่รับในที่แจ้งในที่ไหนๆข้าพเจ้าไม่เคยทําผิดไม่เคยที่จะทําความชั่วผิดกฎเออบัญญัติทุกอย่างเป็นคนดีบริสุทธิ์ ไทยถ้าพวกเราตรวจตาดูตนเองอย่างนั้นแล้วยังค่อยเหวี่ยงค้อนก้อนดินก้อนหินใส่คนนะั้นที่มันชั่วมันเร็วๆนะ่ะยังค่อยทำแต่ถ้าว่าตรวจตาดูตนเองแล้วตัวเองก็เป็นความชั่วอยู่มีความผิดอยู่แล้วยังไปทำให้กับคนอื่นเขานั่นแหละพระเจ้าจะลงโทษสาหรับคนคนนั้นไปทำให้กับคนอื่นเขาทั้งที่ตัวเองก็มีความผิดนะ นี่แหละอันที้สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่าอท่านคิดเป็นธรรมนะหลวงพ่อพิจนารณานดูแล้วท่านเป็นธรรมเป็นธรรมในจุดนี้น ะ, เ พ, ะเพราะนั้นเพราะนั้นเน่ะเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยเพราะเขามีศรัทธาเนยะเขาจึงให้ออย่างคนหลวงพ่อไปถามใครต่อใครเนะี่ยที่หลวงตาเป็นผู้ประกาศหาทองคําเข้าคลังหลวงอย่างนี้เอ่หลวงตาไปที่ไหนคนก็ให้ เพราะเหตุไรเพราะเขาศรัท ธ, ธาหลวงตาเขาลงตาศรัท ธ, ธาลงตาถ้าหากว่ารัฐบาลประกาศดูสิจะไงตั้งขึ้นมาเอา้าขอให้พี่น้องประชาชนหาทองคํารวบรวมทองคําเพื่อจะช่วยชาติหาดอนล่าหาเงินเข้าพรรัฐบาลย่าแย่แล้วเดี๋ยวนี้ประกาศดูสิจะมีไหมไม่มีเพราะเหตุไรเพราะเขาไม่มีศรัท ธ, ธานแต่โรคตาเขาทําไมจึงให้ เพราะหลวงตาก็จัทานในหลวงตาอย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันจัตุปัจจัยได้มาอะไรกระถิญผ้าป่าจนไม่ได้สร้างเสนาสนะเลยในช่วงนั้นพวกหลวงพ่อพูดอย่าง น, นพวกลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อที่นั่งอยู่ที่นี่นะก็มีหลายองค์อยู่ก็คงคงเห็นว่าวัดเราไม่ได้สร้างอะไรเลยแบบอยู่แบบคัดลัดเข็มขัดอย่างแน่นอีกต่างหากจัตุปัจจัยที่ได้มาเอาถวายหลวงตา เพื่อซื้อทองคําเข้าคลังหลวง เ, เราไม่ได้ศรัทาใครเราไม่ได้ศรัทธารั ฐ, ฐาบาลแต่เราศรัทธาหลวงตานะหลวงตาเป็ น, ปนผู้นําเป็นว่าเป็นผู้ซื่อสัตย์เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเป็นผู้ซื่อตรง เ, เป็นผู้มือสะอาดนะเราเชื่อในเชื่อในหลวงตาเนะพราะฉะนั้นเราไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อรัฐบาลนะเราไม่ได้เชื่อใครอื่นนะตลวงพ่อถามใครๆก็เหมือนกันเอ้ย ที่บริจาคไปเนี่ยให้หลวงตาไปเนี่ยจะช่วยรัฐบาลใช่ไหมไม่เออเห็นว่าเลยเจตนาของหลวงตาเนี่ยเจตนาบริสุทธิ์เจตนาดีเออจึงจะเอาจึงจะช่วยหลวงตาเนี่ยนี่แหละพอช่วยหลวงตาเสร็จแล้วหลวงตาเอา ท, างทองคํำข้อคลังหลวงเสร็จแล้วเนี่ยยังจะเอาเงินทองจะเอาจะเอาทองคําของหลวงตาออกมาใช้อีกหรือออกมาไปทิ้งไว้เฉยฮะเออ มันไม่เกิดประโยชน์ควรจะออกมาใช้ออกมาถลุงคิดอย่างนั้นก็กมีนะเพราะเหตุไรแต่เงินของตัวเองนะ่ยไม่มีมากเท่าไหรนะ่เลยเฉยปิดไว้แต่เงินของคนอื่นน่ยอยากจะดูอยากจะเห็นอยากจะรูนะ้เนี่ยนั่นแหะกิเลสของมนุษย์นะกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะของมนุษย์เนะี่ยโมหะของมนุษย์เนี่ยนะว่าโมหะคือความหลงตัวเนะี่ยในมนุษย์สโลกทั้งหลายทั้งปวงนะ ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นแนวความคิดนะคณะศนะรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนพอหลวงพ่อเองก็ได้ช่วยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดช่วยพระเจดีอของหลวงปู่ก็ช่วยช่วยโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์หลวงพ่อก็ช่วยช่วยวัดอื่นๆที่มันมีมาโดยเป็นธรรมก็ช่วยแต่จะตกปัจจัยที่ได้มาด้วยมาเพราะอะไรก็เพราะผู้มีศรัทธานะ ถ้าผู้ไม่มีศรัทธาแล้วไม่มีทางที่หลวงพ่อจะได้จากเขานะอถ้ามีผู้มีศรัทธาแล้วเออเอาหลวงพ่ออินช่วยประโยชน์ให้กับชุมชนสังคม อ, อย่างน้อยก็เอาถวายคนละห้าคนละสิบคนละามากคนละน้อยเข้ามาอหลวงพ่อก็ได้จะตุปปัจจัย เ, เก็บมาเป็นก้อนแล้วก็ได้ช่วยเหลือ อ, อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่นะวัดวาศาสานาเไปเลยเพราะเขาเชื่อ เขาเชื่อในหลวงพ่ออินถ้าเขาไม่เชื่อในหลวงพ่ออินเอจะได้อย่างไรแต่หลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะได้คนที่ไม่มีไม่มีความเชื่อในหลวงพ่ออินเหมือนกันนะเอามาให้ทั้งกระทักกระแทกทั้งนาบูดนาเบี้ยเรามาให้หลวงพ่อินเฮ้ยหลวงพ่ออินก็ไม่เอาเหมือนกันะเออหลวงพ่อไม่อยากจะได้เงินประเภทนั้นอีกเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะว่าเอาให้มาแล้วก็ยังกระทักกระแทกยังอีกเออยังกันแนะกันแหลอีกฮะ ให้ตัวไม่ศรัทธาเนะี่ยลุงพ่อก็ไม่อากเอาอไปไปเอาไปที่อื่นเอาไปไกลๆนู่นนะอย่ามาแถวนี้อถึงเราไม่มีอันกินเราจะกินดินเราจะกินใบไม้แห้งเราจะกินหญ้า ด, ดีกว่าที่จะกินเงินที่คนไม่มีศรัทธานะอคนไม่มีศรัทธาเอามาให้นะไม่กินอย่างหลุงปูร่าพูดนะ เ, เงินที่ได้จากหวยจากเบอร์สมัยก่อนหวยใต้ดินเบอร์ใต้ดินเงินการพนันนะ ท่าบอกว่าอยาเอามาให้เรานะเงินการผนันไม่มีอันจะกินเราจะกินดินเราจะกินดินดีกว่าไม่กินไม่กี่วันมันก็ตายแล้วดีกว่าที่จะไปกินเงินช่วยๆเร็วๆ เ, เงินที่ไม่ถูกต้องอาตามธรรนองคลองธรรมไม่ถูกต้องตามศีลธรรมอย่าเอามาให้เรานะนี่เราหลวงปูร่ราท่านพูดท่านเขียนเป็นหนังสืออีกต่างหากเนะเอยพูดในหนังสือ ของท่านท่านเขียนป้ายไว้อีกต่างหากที่วัดของท่านสมัยก่อนนะนี่แหละอันนี้ก็สรุปแล้วก็คือศีลและธรรมครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเน้นเรื่องศีลธรรมอันไหนผิดอันไหนถูกถ้าได้มาโดยเป็นธรรมไม่ไม่ว่ากันเอามาเลยร้อยล้านแสนล้านออกมาให้เกิดประโยชน์แล้วก็มาดูกันแล้วกันจะใช้ไปยังไงให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ใช้ให้เป็นธรรมนี่แหละจะเก็บไว้ก็เก็บไว้โดยเป็นธรรม เก็ไว้เพื่ออะไรแต่ใช้ไปก็ใช้ให้เป็นธรรมใช้ไปด้วยอะไรเนี่ยแหละสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อนานๆหลวงพ่อจะได้พูดพูดให้ลูกให้หลานได้ฟังนะกณะ่าจะทายาติโยมและอีกยวดส่วนหนึ่งหลวงพ่อก็พูดให้เป็นแนวความคิดของพระลูกๆของหลวงพ่อเหมือนกันต่อไปจะเป็นผู้ใหญ่ไปไปภายภาคหน้าถ้าคนที่มีสติคนที่มีปัญญาคนที่มีหัวนะ อก็จะต้องได้ใช้แนวความคิดในไปในทางที่ถูกต้องที่ทางได้เป็นธรรมอย่างที่หลวงตามหาบัวพูด่ะหลวงพ่อยังจําไม่ลืมท่านพูดมานานนะเออถ้าจะตรวจเราก็ตรวจได้อามาตรวจเลยเออแต่ว่าก่อนที่จะตรวจนั่นเราจะต้องทําความสงสัยนะใครที่จะมาตรวจเออจะมาตีต่อยตีเราเราให้เราเป็นเป้าคนเดียวเราไม่ได้ไม่เป็นธรรมเราจะต้องตรวจสอบคู่ที่มาตรวจสอบเราอีก มันจึงจะเป็นธรรมอะมันจึงจะถูกต้องได้มาอย่างไงตั้งแต่รับราชการมาเนี่ยตั้งแต่เป็นหมอมาเนี่ยเออตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยได้มาอย่างไงเงินก้อนเนี่อเราก็จะชี้แจงเจะาตัปัจจัยเราไปชี้แจงได้อย่างไงคนมาถวายต่างกรรมต่างวาระเออหลวงพ่อเอออย่างหลวงพ่ อ, พอก็เหมือนกันหลวงพ่อเกิดมาเนี่ยนะเออกินข้าวชาบ้านตั้งแต่ อายุสิบ2อ็ดสิบสองปีถ้ามีใครหัวดีขึ้นมาโอ้ยสมัยหนึ่งเนะ่ยสมัยนั้นละ่ะผมจำได้นะ่ะหลวงพ่ออินไปกินข้าวของผมเนะี่อไม่ถูกนะช่วงนั้นนะแล้วจะไปจำได้ยังไงเพราะมันกินมันถ่ายไปแล้วเออว่ามันนานไปแล้วเนะี่ยแต่ตามไม่จริงถ้าใหม่ๆมเออก็ไม่ว่ากันนะจำได้แต่มันเก่า อจะมาพลื้ฟื้นกันได้ยังไงก็เสียงบางเสียงบางอย่างมันก็ผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วเออแต่จะเอามาฆ่ากันมันก็ไม่ถูกเหมือนกันบางเสียงบางอย่างหลวงพอ่อว่าว่านะแต่ตามไม่จริงก่อนนั่นนะถ้าตรวจสอบได้กาดีต่างคนก็ต่างระมัดระวังอสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทําเอทําไม่ไปแล้วมันไม่ดีก็รู้อย่าแก่ใจบอกเมื่อเมื่อมันไม่ดีย่าทำํำอย่าคิดอย่าพูดอย่าทําในสิ่งที่มันไม่ดีนะคิด ำพูดแต่สิ่งที่ดีจะมีแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมทุกส่วนจะมีความร่มเย็นเป็นจุกท่วนหน้ากันแต่มีแต่ทองบุงเนี่ยกระดาษทรายเนี่ยจะไปขัดแต่คนอื่นเขาตัวเองคลุขคลานมันใช้ไม่ได้หลวงพ่อว่านะเ <c oughs> พราะนั้นในพวกเราตรวจตราดูตนเองดีที่สุดนะรับพร